อาละนะครับก็ฟังกันเยอะแล้วเว <c oughs> ลาฟังทำทั้งหลายจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าจากใครก็ตามก็เป็นสุตตะสุตตะมัจจัญญาปัญญาเนี่ยต้องผสมผสานกันระหว่างสุตตะจินตาแล้วก็ภาวนานะครับจะผสมผสานกันจะสังเกตดูเด็ดต่อให้ภาวนามากแค่ไหนก็ตามถ้าสุตตะมาไม่ดีนะ หรือว่าหาสารณะไม่ได้ภาวนาไปเนี่ยแว่งแล้วก็ดีไม่ดีผิดทางด้วยแล้วต้องมานั่งแก้แก้แก้กันอยู่เนี่ยนะครับเพียนสุตตะจำเป็นเรามีพระพุทธเจ้ามีคำสอนในอริยมรรคมีทุกอย่างเป็นแนวทางในการเดินฟังสุตตะให้ชัดเจนหลังจากฟังสุตตะมาอย่างชัดเจนแล้วสังเกตดูเวลาเราไปสำนักไหนไปฟังใครมันจะเกิดการจินตนาการตา จิตจะจินตนาการแล้วก็ทาตามสิ่งที่ได้ยินตอนที่ทําตามแล้วก็จินตนาการตามสิ่งที่ได้ยินนี่แหละที่อันตรายแต่ไม่ใช่อันตรายเรื่องอะไรอันตรายถ้าไปฟังคนผิดพระเจ้าถึงได้บอกว่าทำไมจึงต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์อย่าไปมองเป็นพระสงฆ์ เพราะว่าในคําสอนคือพระอริยสงฆ์ดีที่สุดก็มีคําสอนของผู้เจ้าเป็นหลักแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพศรัทธาอันนี้ต้องว่ากันเป็นการเฉพาะตัวท่านจะสอนแบบไหนแต่เมื่อมีคําสอนอะไรที่ถูกต้องถูกตรงปุ๊บเนี่ยพอจิตเดินตามวันนี้เขาไม่เห็นแต่เขาต้องเดินตามเหมือนจะเดินไปเชียงใหม่ซ้ายขวามอไม่รู้เรื่องเลยว่ามันนี่คือเดินไปที่ไหนกันแน่แต่ถ้ามีคนนําทางที่ถูกคือพระพุทธเจ้า วันที่พอเริ่มเข้าใจเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาจริงๆโอ้โหโชคดีจริงๆที่เดินมาถูกทางอ่ะหลังจากนั้นเดินได้เองท่านบอกเลยพระโสดาบาลเดินทางได้เองเหมือนขอนไม้ที่ตกอยู่ที่กระแสแล้วก็ไปเลยกระแสแห่งพระนิพพานคําว่าโสดาบาลนะคือผู้ที่ตกอยู่ในกระแสทีนี้ไปได้เองแล้วอาศัยสมมถะและวิปัสสนาที่มีพาเดินทางออกไปจนถึงนิพพานได้เลยเพราะฉนั้นวันนี้เราเดินทางเนี่ยระหว่างที่กําลังเดินทางในช่วงนี้ อาจจะเป็นช่วงปลายๆของใครก็ตามที่กำลังจะข้ามฝั่งหรือกำลังเป็นช่วงต้นของใครก็ตามเราก็อาศัยมักมีองค์แปดนี่แหละแรกๆก็ะปดองค์ก็แยกทำแยกทำแยกทำแยกทำองค์นั่นองค์นี้หลังๆก็เรื่อมรวมหรือสามได้ก็เป็นไตรสิกขาก็เริ่มรว บ, รวบ ศีลก็ไม่มีปัญหาแล้วเนคขมมากก็พอสมควรจิตใจก็เริ่มพร่าออกมาจากการใจก็เริ่มตั้งมั่นละอกุศนละละลู้รูู้ละล ะ, ละไปเรื่อยนะครับจิตเริ่มตั้งมั่นพอสมควรอันนี้ก็ทํางานง่ายเดี๋ยวก็เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นช่วงๆสัมมาทิฏฐิเป็นช่วงๆแวบๆเกิดเป็นนิโรธเป็นช่วงๆอย่างนี้อันนี้ก็มั่นใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็ฟังคําสอนไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าใจแล้วข้ามฝั่งได้ข้ามฝั่งได้ทีนี้พระเจ้าก็ยืนยันว่าอามีหลักปักมั่นมีหลักปักมั่น ก็ไม่ต้องห่วง ค, คําครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้เร็วขึ้นแ่ะแต่เรื่องผิดพลาดถอยหลังกลับไม่มีอีกนะไม่มีผิดพลาดถอยหลังกลับมีแต่ทํำยังไงแล้วก็ได้คําสั่งสอนคําเสริมมาทําให้เกิดปัญญาเร็วขึ้นถ้ามีโอกาส ก, าก็เกิดในชาติไหนอาจจะผู้ศาสนาอาจจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหรือว่าไม่ค่อยมีแล้วจุดจางเต็มทีพระโสดาบันทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วต้องกลับมาอีกเพราะยังไม่จบก็ นี่มันประเทศอะไรวะเนี่ยทําไมไม่มีวัดสักที่หนึ่งนะไปเกิดแต่ด้วยสมาธิทิศข้างในก็จะเดินทางต่อไปเหตุปัจจัยก็จะชักจูงชักนำไปจนกระทั่งไปเจอเองอะ่ะไปเจอกลุ่มเจอหมู่เจออะไรแรกทำแล้วก็ไปเจอหนังสือสักเล่มซีดีตามกล่องตามรังแล้วก็ไปหาดีวีดีสมัยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วแล้วก็มานั่งเปิดดูอะไรอย่างี้ อาจจะเป็นช่วงหลังปรมาณูลงแล้วก็หาอะไรกันไม่ค่อยได้แล้วนะไม่เลื้อกูลแล้วแต่ว่าก็อาศัยจากข้างในเพราะวันนี้สําคัญที่สุดอยู่ข้างในนะครับภาวนาข้างใน อ, ในอะเดี๋ยวเรามานั่งภาวนาไปด้วยกันสําหรับใครไม่ไหวจริงๆไม่มีปัญหาขอให้ออกตอนระฆังตีก็ตอนนาฬิกาตีก็แล้วกันใครไหวก็รอระฆังหน้าใครรอไหวก็รอระฆังหน้าไปเรื่อยใครไม่ไหวก็ทนให้ถึงระฆังตี เอาแค่นั้นอ่ะไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ถ้าใครจะภาวนาร่วมกันจนจบก็ให้ถึงห้าโมงห้าโมงก็แยกย้ายไปอาบน้ำอาบถ่าพักผ่อนก็วางการปรุงแต่งลงไ ว, ไว้ๆจริงๆช่วงนี้ไม่ต้องทำเลยมากหรอกเพราะการปรุงแต่งมันเยอะวางให้ได้เกินครึ่ง เดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเองวันนี้มันการปรุงแต่งทั้งหมดที่ท่านวางแล้วกลับมารู้ลมคือการตัดอาหารโมหะเลยตัดอาหารอาวิชชาการที่อยากคิดต่ออยากคิดอยู่อยากคิดคิดแล้วเพลินคิดแล้วชอบไอ้นี่มันคิดแล้วเป็นกุศลมันต้องคิดก่อนพวกนี้โมหะ เพราะทุกความคิดอยู่ภายใต้ต่อให้คิดดีก็เป็นปุญญาพิสังขารอยู่ภายใต้สังขารการปรุงแต่งของโมหะคิดไม่ดีก็เป็นอปุญญาพิสังขารคิดดีเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไม่ดีเราะนั้นละไปเลยละแล้วถึงจะรู้อย่ามัวเถียงข้างในไม่มีประโยชน์พว่างแล้วก็รู้เอง ไม่ได้ทำให้ว่างแต่มันว่างเพราะวาง